คุณสีวุฒิคุณสีวุฒิมีอะไรไหมวันนาเป็นไงบ้างคุณกบเป็นไงคือเวลาจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมเราอย่าไปตกใจ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 จะให้คยรู้ทันเท่านะั้นนะคือสิ่งที่ผิดก็มีสองอั น, นไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้ถ้าเมื่อไรรู้ทันนะมันก็เข้าทางสายกลางมันไปนะดีแล้วนะภาวนาดีขึ้นเรื่อยๆกดีใจด้วยคือปฏิบัติได้เรามีความสุขเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยนะบางคนบางลัทธิอะไรเงี้ยเขามู่ความสุขปัจจุบัน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 นะอนาคตก็ยิ่งมีความสุขมากกว่านี้ทันทีที่เราเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวจิตก็มีความสุขเลยนะนี่ฝึกฝนไปเรื่อยใจปล่อยความยึดถือลองไปเรื่อยๆ่อเราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยเรยคุณจะลำพงเป็นไงถ้ารู้ไปเรื่อยนะตอนนี้รู้เต็มที่ยังไม่ลำพงค่อยๆสังเกตนะ มีอะไรแฝงอยู่ในใจเราบ้างนะไม่ไม่ไม่เต็มที่ทีเดียวยังนะมีความมัวแทรกอยู่มีโมหะเล็กๆแทรกอยูคอย่ค่อยๆดูดูยากโมหะเป็นของดูยากที่สุดเห็นแะก่ไม่ใจมันเบิกบานไม่เต็มที่เนะีอยใดูดีล้คุณกบคุณเจริมพงศ์ดีแล้ ว, ลลวนะทั้งสองคนคนชายเชียงตาเอาคุณชินมาไกลาอาะว่ามา ดูอะไระให้ศักว่ารู้นะนี่เขาไปช่วยเป็นคิดนะแล้วเขาจะสอนเราเองเขาจะแสดงใจลักให้ดูดูออกไหมอารมณ์ทุกอย่างเขาสอนใจลักษเระมดเลยกูศสเกิดแล้วก็ดับอ่กูศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะความสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันอีก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 ก็ถูกแล้วล่ะนะถูกแล้วทําถูกแล้ ว, ล ว, นะลวทําต่อไปแต่เบาไม่ใช่แปลว่าถูกนะอันนี้เฉพาะของคุณเบาแล้วมันถูกนะแต่ถ้าหนักแล้วผิดหมดทุกคนนะจิตหนักหนแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆึมทื่อๆมันอกุศลจิตเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วแข็งแ็งนะแสดงว่าทําผิดแล้วทําอย่างนี้แหละทําบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆยยิ่งบ่อยยิ่งดี สูณสวิตะปัจมไปันนะอ๋อสมเกตนะว่าไงดีแล้วนะใจเรา่อยรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นมากขึ้นมากขึ้นนะทั้งสองคนดีนะสองคนดีแล้วล่ะคุณสัเกียตตื่นได้เยอะแล้วรู้สึกไปมันง่ายนิดเดียวเราไปทําให้ยากเองมันมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งชื่อปปันจะทำธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้า ท่านประยุทธ์ท่านเขียนบอกว่ามันทำํำของง่ายๆธรรมดาเนี่ยให้ซับซ้อนเกินไปให้ยุ่งเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็อยากปฏิบัติเนี่ยแล้วก็มีเจ้าความคิดมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้นตัวทิฏฐิแล้วมันอยากปฏิบัติในตัวตัณหาพวกเนี้ยทาให้เสียเวลามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ง, ง่ายนิดเดียวอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมอ่านะหัดไปอย่างเนี้ยนะ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 สงกันบ้านไหมก็มีนะครับแต่ว่าคือถ้าทุกเนี่ยมันจะรู้นะครับแต่ว่าพอมันสุกมันจะมันจะคลุกเลยนะเวลาสุกมันเขาเรียกว่าเผลอเพลินมีศัพท์ตัวหนึ่งนะเรียกนันทิราคะเผลอเพลินพวกเทวดาเลยภาวนายากนเนั้นมนุษย์นี่ภาวนาง่ายหน่อยเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุก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 แวบเดียวคือแบบไม่ไม่ต้องไปประคองอะตัวตแค่วินามวิอ่ามันช่วงขนั้น ะ, อะของจริงๆริอะขนาปัจจุบันปัจจุบันมันขนาดเดียวแวบเดียวนั่นแหล ะ, ะมากกว่านั้นอะของเกะมากกว่านั้นเพ่งเอาว้ต้องประคองไว้ต้องเพ่งไว้ต้องกําหนดไว้เหมือมนจะไม่ใช่วิปัสนาหรอกวิปัสนาเรารู้ลงปัจจุบันปัจจุบันก็คือขณะจิต ต, ต่อหน้านี่เองจะดูถูก ขนาเล็กๆนะเวลาที่มากเกิดนะเกิดขนาดเดียวไม่เกิดสองขนาดเลยเพราะฉะนั้นเราคอยรู้คอยดูของเราบ่อยๆเอาคนเก่าๆเอาคุณแมวเชิญดีดีใจด้วยถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันก็สบายดีเพราะจริงๆจิตโดยธรรมชาติของมันประพัดสอนอยู่แล้วมันผ่องใสอยู่แล้วล่ะ นี่มันเศร้ามองเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามากิเลสตัวหนึ่งก็นักปฏิบัติเนี่ยมีกิเลสแบบนักปฏิบัติอยากดีอยากดีเกลียดชั่วเพอกิเลสมาหาทางไล่ตีมันนะกุศลมาหาทางรักษามันนะในกิเลสของนักปฏิบัติทําให้วุ่นวายารู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นดูเหมือนดูคนอื่นอะแมวดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยนะไม่ใช่เรานะ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 จิตที่เป็นกุศลมันะมีความสุขอยู่ในตัวเองนะมาหากุศลจิตมีโสมนัสเวทนาเบิกบานมีอุเบกขาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มๆไม่ใช่กลางแบบแข็งๆคุณนะแม่เลี้ยออกแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเราไปทำให้มันแข็งนะั้นเราเราไปสร้างทุกข์ขึ้นมาโดยหวังว่าทุกเต็มที่เราจะได้ดีนะที่แท้ให้ ร, รู้รู้ทานความปรุงแต่งจนเลิกปรุงแต่ง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 เอาของคุณล่ะมันไม่เลิกคิดหรอกแต่ว่าอย่าไปหลงคิดถึงคิดแล้วรู้ไวๆหน่อยคิดแล้ว ร, รู้เราก็จะตื่นหลุดออกมาเลยต้้มว่างไต ง, ตงตังต้มเออดีเว็นเด็กจอระจัดคุณปากคุณปากเป็นไง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 อ้าวของคุณเสื้อสีฟ้าของกันบ้านทำไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้สอนให้ทําอะไรเราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมคือการต้องทําอะไรคุณรู้สึกไหมว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะไม่ต้องทําอะไรหรอกรู้สึกว่าออืดอัดใจไม่รู้จะปฏิบัติยังไง ร, รู้ว่าอืดอัดนะรู้อย่างที่เขาเป็นเลย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 ไม่รู้เรื่องช่างมันปนระไล่ไม่ต้องแก้ให้รู้อย่างที่มันเป็ น, ใ ห, น, ปนให้ทราบว่ง่วงให้ทราบว่าใจไม่อยากให้ง่วงทราบเข้ามาให้ถึงใจใจเราไม่อยากให้ง่วงรู้สึกไหมรู้เข้ามาให้ถึงใจของคุณไม่ยอมรู้คุณจะชับคิดเอาอฟ <c oughs> <c oughs> ังหลวงพ่อพูดเลยคิดใหญ่เลย ให้รู้ทันที่ไม่อยากง่วงอยากหรือไม่อยากนั่นแหละเรียกว่าตัณหานะเพราะงั้นใจเรารู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วงรู้ได้กว่าเป็นกลางไม่ทุกนะแต่ถ้ามันง่วงเราอยากหายง่วงก็ เ, เป็นทุกข์เราปฏิบัติเอาความพ้นทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติให้ไม่ง่วงเนะง้ความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่าโกรธใจเป็นกลางเราความโกรธไม่ต้องอยากให้หายโกรธออกนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นคนดี แต่เราปฏิบัติเพื่อจะไม่ทุกข์เพราะนันง่วงแล้วอย่ากกลุ้มใจนะง่วงกลุ้มใจเห็นไหมกลุ้มใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากหายง่วงเอาเหรอเอองั้นก็น่ากลุ้มคือมีธุระนะนึนนกว่าทำกรรมฐานแล้วมันง่วง อ, อก็ให้ผู้ร่วมกิจการของเรา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 ต้องทําอีกนานๆถึงจะรู้เนี่ยถ้าเราคิดว่าธรรมะคืออะไรที่มันลึกลับอย่างเนี้เราจะหามันไม่เจอเพราะจริงๆแล้วเราเดินชนธรรมะอยู่ทั้งวันเลยแต่เราไม่รู้จักเราละเลยที่จะรู้ธรรมะมนะเที่ยวมาตามวัดไม่ว่าจะได้ธรรมะหรือไม่ได้หรอกนะใครก็สอนธรรมะเราไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าอย่างสอนธรรมะเราไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้แค่บอกทางให้เราปฏิบัติเอาเองปฏิบัติเองแล้วถึงเห็นธรรมะด้วยตัวเอง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 ว่าธรรมะมัวแต่อยู่กับพระมัวอยู่ที่วัดมัวอยู่ในการเข้าโพสเราลืมไปว่าธรรมะอยู่กับตัวเรานี่เองมาตั้งแต่เกิดแล้วชาติก่อนธรรมะก็อยู่กับเราชาตินี้ก็อยู่กับเราตายไปเกิดอีกนะชาติหน้าธรรมะก็อยู่กับเราแต่เราไม่เอาเราไม่สนใจที่จะรู้ธรรมะคือกายกใจของเรานี่เองเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมชื่อบอกแล้วนะว่าเป็นธรรมะ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 ที่เรายังไม่เห็นนิพพานไม่เป็นไรให้คอยรู้กายรู้ใจเนี่ถ้าเราไม่คอยรู้กายรู้ใจตัวเองธรรมะจะไม่เข้ามาสู่ใจของเราเลยยกตัวอย่างเดี๋ยวพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์สอนเราว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายกระใจเป็นทุกข์ถามว่าเราคนไหนบ้างถ้าพูดไม่ไม่เพราะนะหยาบหยาบหน่อยหน้าไหนบ้างที่เห็นว่ากายกระใจเป็นทุกข์ไม่มีสักหน้าเดียวเราจะรู้สึกว่ากายเนี้ย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 ไม่ใช่แค่ทุกอิริยาบทนะหายใจเข้าไปเนี่ยรู้เลยหายใจเนีเพราะว่าแก้ทุกข์ความทุกข์บีบคั้นหาช่องว่างที่ว่ามันจะเป็นสุขจริงๆเนี่ยหาไม่เจอเห็นไหมเราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแนละ้ท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์เนี่ยเยเรามาค่อยรู้สึกคอยตามรู้ตจำดูในที่สุดเรายอมรับความจริงเ อ, อกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกอิริยาบทกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่หัดดูอย่างนี้นะ ถ้าชอบรู้กายหรือบางคนรู้อีกแบบหนึ่งชอบรู้การเคลื่อนไหวนะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเดี๋ยวซ้ายแลกวากระดุกกระดิกยกไม้ยกมือยกเท้านะบางท่านก็หัดขยับอย่างสายลงพระเตียนหัดขยับมันเลยขยับไปทำอะไรขยับเพื่อจะได้เห็นความเป็นอนัตตาของกายเวลาที่เราเคลื่อนไหวอ ย, อยู่นียถ้าใจของเราตั้งมั่นพอ เราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่กำลังเคลื่อนไหวไตัวที่กำลังกระดุกกระดิกอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้หรือถ้าดูธาตุเรากินอาหารแล้วก็กขับถ่ายแล้วหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกนี่ก็คือธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเ น, นี่ยนี่กายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุดูอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเห็นอนัตตา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 เจ อ, อคนนี้เมตตาเป็นพิเศษนะหลายอันถ้าเรามาคอยรู้ใจของเราเราจะเห็นว่าใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเี่ยการรู้จิตรู้ใจนะจะเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงได้ชัดมันเปลี่ยนแปลงเร็วแต่รู้กายเนี่ยเห็นมันเปลี่ยนแปลงยากหน่อยเพราะรูปมันอายุยืนกว่ามันจะเปลี่ยนนี่ใช้เวลานานแต่ถ้าดูจิตใจจะเห็นอนิจจังเร็วมากเลยเปลี่ยนวับแวบวับแว บ, บนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตนะ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 ถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ว่าปัญจทวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกมโนทาวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกเราไม่ต้องเรียนอย่างก็ได้ชื่อมันยาวจํายากเแต่สังเกตให้เดีเราไม่ได้เลือกหรอกว่าเราจะดูหรือเราจะฟังหรือ เ, เราจะคิดมันทํางานของมันเองดูออกไหมมันฟังไปคิดไปอ่ะดูออกไหมนะหัดดูนะหัดดูไปเรื่อยเรเราจะเห็นอนิจจังเออเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจหัดดูเรื่อยเรืเราจะเห็นอนัตาออาต า, าบังคับไม่ได้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 หลายคนที่ฟังแค่นี้เริ่มตื่นขึ้นมาแนละ้วโดยที่หลวงพ่อยังไม่ทันสอนเลยนะว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทำอย่างไรทำไมหลวงพ่อไม่สอนว่าถูกให้ทำอย่างไงเพราไม่มีหรอกให้รู้ตรงที่ผิดเถะแล้วมันถูกเองไม่ใช่จิตของพระริยยะก็คิดเท่าอับคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าจิตนั้นไม่เที่ยงจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราพระรยะไม่ใช่คนที่ฝึกจิตสาเร็จนะ อย่าไปวาดภาพาพระอริยะก็คือคนที่ฝึกจิตจนบังคับจิตได้จิตนั้นเป็นขันจิตเป็นอนัตตาใครก็บังคับไม่ได้แต่พระอริยนะเข้าใจความจริงว่าเออจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองรอริย์ที่เข้าใจความจริงอันนี้เรียกว่าพระโสดาบันรอริย์ที่ดูต่อไปเรื่อยๆจนทั้งรู้ว่าถ้ายึดจิตเอาไว้จะเป็นทุกข์นะแล้วมันปล่อยวางจิตได้ก็รเรียกพระอรหันต์ เพราะงั้นการปฏิบัติเรามีสองสเต็ปสองขั้นขั้นที่หนึ่งละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราได้พระโสดาบันขั้นสุดท้ายละความยึดถือในขันห้าในกายในจิตเนี่ยก็เป็นพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่บังคับจิตได้สาเร็จนะเพราะจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้งงครับไหมงงรู้ว่างงไม่ใช่งงแล้วชิดงงแล้วหาคําตอบรู้สึกไหม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 จิตจะตั้งมั่นอยู่โดยไม่รักษาเรียกว่ามีสมาธิบริบูรณ์เพราะมีปัญญาปานกลางะแต่เฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี้แหละคือตัวทุกเยตัวจิตเป็นตัวทุกนะก็ะปล่อยวางความยึดถือจิตก็ปล่อยวางความยึดถือจิตก็คล้คคคคายๆเราโยนทิ้งไปแล้วโยนภาระทิ้งไปแล้วมันก็หมดภาระตรงนี้เพราะว่าปฏิบัติอยู่แนละ้วรู้รู้สึกว่ามันเป็นทนะุกข์อะฮะสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ จะอยู่กับร่างกายนี้จนแตกสลายไปนะพระมหากัสตปะก็เคยพูดบอกว่าพระอรหันเนี่ยเหมือนกับชายหนุ่มรูปหล่อรูปงามนะหนุ่มด้วยหล่อด้วยนะไปอาบน้ำทาแป้งทาน้ำหอมใส่เสื้อผ้าสวยหรูนะเส็เสร็จแล้วก็พอจะออกจากบ้านเนี่ยเอาหมาเน่าตัวหนึ่งนะพาดไหล่ไปค้องคอไปความรู้สึกของพระอรหันต่อขันเนี่ย เหมือนความรู้สึกของชายหนุ่มเนี่ยที่มีหมาเน่าห้อยคอเังนั้นตราใดที่ยังมีหมาเน่าให้อยอนะก็ต้องเน่าไปก่อนอย่าไปเกลียดมันนะต้องเป็นกลางเพมีความรู้สึกบาง่องบางที่จะเข้ามาในเส้นทางสายนี้นะคะชีวิตมันก็น่าอิจฉาใช่ไหมคะพราะมันโลภของเข้ามาเนี่ยว่าทุกสิ่งคทีมจะรู้สึกขึ้นมาเองนะคะว่ามันเกินเลยพอจะไม่ทำมันก็เกิดขึ้นเองธรรมชาตินะรู้ไปได้วย ก็อยู่จนสิ้นขันแต่เดิมไม่ใช่ไม่ทุกนะแต่เดิมทุกแต่ไม่เห็นนะเหมือนมีเชื้อโรคอยู่ในตัวแต่ไม่เห็นแต่มีคนหนึ่งนะมาต่อว่าหลวงพ่อบอกดิฉันเป็นหมอ น, นะหมอคนไหนจําไม่ได้แล้วนานละเมื่อก่อนดิฉันอะไม่เห็นจะมีกิเลสเลยมาเรียนกับท่านแล้วกิเลสเย <c oughs> ะอะออเออมันพูดได้อย่างนี้พูดได้ลงคอ <c oughs> บอกนี่คุณหมอ เคยเห็นไหมคนไข้ที่มันมีเชื้อโรคในตัวเองอะ่ะแต่มันไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะ่ะกว่าจะรู้ตัวนี่เชื้อระบาดตายแล้วนะนี้เราสติปัญญาเราว่องไวเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นในใจตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นแล้วนะโอกาสจะรอดชีวิตเนี่ยมันมีแล้ว <c oughs> มีอยู่ทีมหนึ่งนะเขาชื่อทีมสิบเอ็ดนางฟ้าเขาเป็นคนดนะีเป็นวิทยากรด้วยนะเที่ยวสอนกรรมฐานด้วย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 แต่ของคุณเนี่ยตอนนี้มันยังทิ้งไม่ได้นะของคุณต้องดูต่อไปอีกเห็นไหมถึงเป็นทุกข์แต่ก็หนีไม่ไดนะ้ต้องเป็นกลางกับความทุกข์นะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้กายรู้ใจที่ว่ามันทุกข์ทุกเนี่ยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจของเราไม่เป็นกลางเกิดไปเกลียดมันปุ๊บให้รู้ทันที่ใจไม่เป็นกลางนี้พอใจเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางถึงจุดหนึ่งเขาจะปล่อยวางนะเพราะงั้นสเต็ต ของพัฒนาการทางปัญญาจะมีเป็นขั้นๆ้นขั้นแรกเลยรู้กายรู้ใจได้ต่อมาเห็นกายกับใจเนี่ยเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่มามจะรู้สึกเบื่อรู้สึกมันทุกข์ทุกนะบางคนรู้สึกเบื่อมากบางคนเห็นทุกข์มากนะบางคนเห็นความน่า ก, กลัวบางคนเห็นไม่มีสาระอะไรเนี่ยใจก็จะอยากหนีแต่หนียังไงก็ไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับตัว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 สิ่งที่ผิดมีสองอันข้างหนึ่งเรียกว่าการถูการิการนุโยกการไหลาตามกิเลสเช่นอยากดูอยากดูวิ่งไปดูก็ลืมตัวเองก็ลืมตัวเองก็คือจเจริญปัญญาไม่ได้แล้วทำวิปัสนาไม่ได้ละอยากฟังอาลองลองดูก็ได้อลองดูพระพุทธรูปเอาตั้งใจดูเดี๋ยวตอบคำถามดูให้ดีนะ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 แม้ใจเราหลงตลอดนั่นศัตรูของการทํำมิปัสสนาอันดับหนึ่งนะคือหลงไปหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจหลงไปคิดศัตรูหมายเลขสอถ้าหลงไปเนี่ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เลยศัตรูหมายเลขสอคือนั่งเพ่งเอาไว้นั่งจ้องจ้องมันทั้งวันเลยไม่รู้จ้องทําอะไรจ้องอยู่อยางนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งจ้องนะท่านสอนให้รู้อย่างที่มันเป็นให้ตามรู้ไปเรื่อยๆนะ่ร่างกายเคลื่อนไหวก็เออไอตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งจ้อง ก็อเอาละมันจะกระดูกระดิกแล้วโอ้เหน็ดเหนะื่อยนะพระพุทธเจ้าไปได้สอนอย่างนั้ น, นะนวิปัสสนาทำได้ตลอดถ้าหนึ่งไม่เผลอไปสองไม่นั่งเพ่งเอาไว้ไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนก็ทำได้นะยกเว้นตอนนอนหลับ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 ให้รู้ทันว่าหลงห้ามไม่ให้หลงไม่ได้ให้หลงไปก่อนหลงแล้วรู้ว่าหลงถ้าหลงไปแล้วไม่รู้ว่าหลงมันจะหลงทั้งวันหลงยาวแต่ถ้ามันหลงแวบรู้สึกเนี่ยเนี่ยหลงไปแล้วใช่ไมลืมตัวเองแล้วเนี่ยหันรู้สึกบ่อยๆในพิสุทธินะเราจะหลงบ่อยๆคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกหลงวันหลักสั้งคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยของเราจะหลงบ่อยไหวหลายแวบรู้แวบรู้แวบรู้ถามว่าแล้วมันได้ประโยชน์อะไรรู้อยู่แค่นี้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 ในที่สุดเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับนะพระโสดาบันคือคนที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นแค่นี้เองไม่ได้รู้อะไรเยอะนะเราชอบวาดภาพพระอาริยะินกระทั่งกลายเป็นซูปเปอร์แมนไปพระอาริยะต้องตีขรืมห้ามยิ้มพระยาต้องเคลื่อนไหวน้อยๆเพราะเคลื่อนไหวเยอะเป็นโลภะนะพอดีงั้นใครเป็นง่อยก็เป็นพระอาริยะเลยนะ ไม่ชอบไปวาดภาพให้มันทพิกลพิการมันอยู่ที่ใจยึดถือไหมใจถูกก่เลสครอบงาไหมอ้าวอ้าว เ, เชิญเอเอเบื่ อ, อ, อให้รู้ว่า <c oughs> เบื่อถ้ามันเบื่อนะดูไปดูจนใจเป็นกลางกับความเบื่อสังเกตไหมความเบื่อเป็นของที่ใจไปรู้เข้าดูอย่างนี้นะ ความเบื่อเป็นของที่ใจไปรู้เข้าใจเราไม่เคยเบื่อเลยโนะดยให้ทันตรงนี้นะนั่นใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะตามเราก็รู้ทันว่ามันตามไปแล้วไม่ห้ามห้ามไม่ไดนะ้มันตามไปรู้ว่าตามไปไม่เป็นไรมันอยากไหลก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานะเราเป็นแค่คนดูเอาละแก่ไหลไปดูซิแกจะไหลานานเท่าไหร่นะ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 เจอมันชาตินี้อเจอชาติไหนนะนี่พิคิดแล้วครับพ่คเนตอ่ะวคนนี้ล่ะเป็นไงนดีดละดูเลยได้คื อ, คอไม่ต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวยุ่งรู้ทันใจของเราไว้ พอตามองเห็นเนี่ยนะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้ทันนะถ้าไม่ไม่เกิดใจเฉยๆก็รู้ทันเมื่อใจเฉยๆนะหูได้ยินเสียงไม่ต้องไปตามไปที่หูนะพอหูได้ยินเสียงเ้าด่าเราปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นที่นี่รู้ว่าความโกรธเกิดที่นี่ดูที่ใจอันเดียวคลนะ้ายๆเราเฝ้าอยู่ที่ประตูมนะันนะทางเดินก่อนจะมาเข้าบ้านเรามีตั้ง ห, หลายทางไหนมีทั้งหทางจะเดินมารวมอยู่ที่ประตูนี้อันเดียวเราเฝ้าอยู่ที่ประตูนี้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 เวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดต้องไปคิดให้รู้เรื่องนะจิตใจจดจ่องานไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่ถ้าเราทํางานไปแล้วเราเกิดเบื่อเบื่อไม่ใช่งานแลเบื่อเป็นกิเลสมีสติรู้ว่าใจเบื่อนะเกิดขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจรู้ทันชนะใช่ใช่ไม่ใช่เวลาเจริญสตินะถ้าเราทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะไม่ใช่เวลาเจริญสติ เป็นเวลาที่ต้องจดจ่อกับงานนะแต่ถ้าเราเป็นคนฉีดสามล้อนะสามล้อฉีดอย่างตามบ้านนอกเนี้ยอย่างเงี้ยจเจริญสติได้รนะ่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันฉีดสามล้อเราไม่ได้ฉีดหรอกเราเป็นคนดูนะอย่างเงี้ยทาได้หรือทางสุรินมีแม่ค้าขายผักอยู่คนนะแกขายผักแกก็ดูใจงั้นแกไปวันนี้ขายไม่ออกเลยมันรุ่มใจรู้ว่ารุ่มใจไม่ใช่ไม่ลุ่มนะ ขายไม่ออกรุ่มใจรู้ว่ารุ่มใจรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเห็นเลยความรุ่มใจเป็นของแปลบกลอมเข้ามาไม่ใช่จิตเราจิตเป็นแค่คนไปรู้ไปดูเมือนข้าวันนี้คนมาซื้อเยอะดีใจดีใจรู้ว่าดีใจางงาได้เปรียบแต่ไม่ค่อยได้เงินหรือทำงานจำคิดอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็บางครั้งสิ่งที่เราที่แล้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 ถ้าสติตัวแท้ๆเกิดนี่จะดีดกระเด็นไปเลยใจของเราก็สบายแล้วก็ทำงานต่อสมัยก่อนอาตมารับราชการงานหลักเลยของสภาความมั่นคงแห่งชาติคือประชุมชื่อมันก็บอกแล้วเป็นสภางานหลักคือประชุมแล้วทำเอกสารไปพรีเซนต์โอ้เขาชมเขาชมแล้วมันดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้เมมเบอร์ว่าเอ้คนนี้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 พีเส้นแต่คนมันว่าเรามันว่าแหมเขียนได้ฉลาดเหมือนเด็กป .4 เรย่างนี้ฟังที่แรกเขียนได้ฉลาดมากฟังแล้วดีใจนะเหมือนเด็กป .4 ริกเ <c oughs> นยะโทรสะเกิดหรือว่าโทสะเกิดเนี่ยดูไปอย่างนี้ในสุดใจก็เป็นกลางอย่างเป็นกลางก็ทําหน้าที่ของเราต่อไป <c oughs> ไม่ใช่จิตคิดทั้งวันไม่เลิกเลย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 ทางอีสานนะโยเขามีมีคําพังเพยคำสอนโบราณนะเขาบอกว่าสําเนียงไม่เหมือนนะสําเนียงไม่ถูกแนละ้วแต่ว่าภาษาเขาบอกว่าอยากทําได้ถามหญิงต่ําหูอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควายนะคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอยากทําได้ถามหญิงต่ําหูหญิงต่ําหูคือผู้หญิงทอผ้า อยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงกไอยูสิฟังแล้วงงงงไหมเอาไปคิดเองไหมย่าเดี๋ยวนี้ทำไมขี้เกียจทากันบ้านเนาะอ๋อนี่คนนี้ไม่ได้อยู่ไกลนะบ้านอยู่ภูเขานี่เองยอยากทำได้ถามหญิงตำปุกผู้หญิงทอผ้าไม่ใช่สาวฉันทนาตามโรงงานนะพวกนั้นไปถามมันไม่รู้เรื่องหรอก เคยเห็นผู้หญิงทอผ้าแบบโบราณไหมที่นั่งใช้กีรกระตุกเงี้ยกระตุกกระตุกไปเรื่อยตกเอาฟื้นกระแทกสังเกตดูเวลาเขาถอผ้าเนี่ยเขาจะรู้อยู่เฉพาะหน้าเขาไม่วอกแวกไปที่อื่นไม่ออกไหมคําว่าถามผู้หญิงทอผ้าก็คือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนั่นเองแล้วการทอผ้าก็ไม่ได้ทอทีเดียวเสร็จใช่ไหมไม่ใช่กระแทกทีเดียวเสร็จ เขาทำซ้ำๆๆนั่นนะ่ะจนกว่าจะได้ผ้าทั้งผืนยาวๆเนี่ยกะแทกไม่รู้รกี่ร้อยกี่พันครั้งหมายถึงว่าให้เราตามรู้ตามดูเนืองๆดู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะว่าจะเสร็จเมื่อไหอไร่กรรมฐานเนี่ยทำกันทั้งชาติเลยนะตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยนะรู้เฉพาะหน้าอยู่อย่างเนี้ยรู้ซ้าแล้วซ้ำอีกนี่ถามผู้หญิงทอดผ้าเป็นอย่างนี้เออคิดถูกนะ อ่ายมลวยรู้เรื่องแล้วนี่โยมรวยก็ทำถูกสิแต่คนอื่นเนะี่ยเขาทำไม่ถูกเพราะเขาไม่ยอมถามเด็กเลี้ยงควายอ่าใช่เพราะโยมลวยเข้าใจธรรมะแล้วนี่อ่าดีแล้วอยากทาถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายาพวกเราไอ้ชอบมาถามว่า ที่ทำอยู่นี่ถูกไหมคะมาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ใช่เด็กเลี้ยงปวายน ะ, ะหรือว่าถามจะทำยังไงถึงจะถูกต้อนไปถามเด็กเลี้ยงปล่อยเอาถ้าไปถามเด็กเลี้ยงปวายมันจะตอบว่างไงไม่รู้ทําไม่เป็นหรอกทําไม่ได้หรอกนี่แหละสุดยอดกรรมฐานเลยรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่าทาอะไรขึ้นมอีกนะไม่ใช่ว่าทํายังไงจะเอาจิตไปตั้งไว้ไหนดี เด็กเลี้ยงกวายไม่คิดละมันะไม่ต้องคิดมากนะรู้ลงไปตามที่เขาเป็นเลยไม่ต้องหาทางทําให้ถูกนะรู้ว่ามันผิดเมื่อไหร่มันถูกเมื่อนั้นแหละเพราะงั้นที่ถูกเนะี่ยไม่มีทางทําได้พรนะนะพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมะถึงเริ่มต้นสอนสิ่งที่ผิดก่อนธรรมะจับ ก, กับปวัตินสูตรเนี่ยเริ่มต้นบอกว่าที่สูตทั้งหลายสิ่งที่บัชญิชิดไม่ควรเสพมีสองอย่างมีความผุดตรงสองด้ อันหนึ่งการสุขสันติการนิโยโญขหลงตามกิเลสหรือตัวเองอันหนึ่งอัตตากิลมัฐานนิยโบังคับกายบังคับใจตัวเองพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มบังคับตัวเองรู้สึกไหมเราทําขลิมก่อนขลิมร่างกายก็ต้องทื่อๆไว้ก่อนนะใจก็ต้องคื่อๆขลิมแล้วก็นั่งเฝ้าไว้นียให้ถูกหรอกให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้ไปบังคับเขาเังนันอยากทําถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควาย มันจะตอบว่าไม่รู้หรอกทำไม่เป็นหรอกทำไม่ได้หรอกจริงๆทำไม่ได้หรอกให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเนี่ยยมหลวยให้ตามรู้รรรยังไงยหลวยก็ังเพลินในการพูดแล้ว <c oughs> รู้สึกไหมชั๊กมันนะเอเออ้าวพูดได้เออนะ เรียนธรรมะต้องใจเด็ดๆนะโยมรวยนี่ใจเด็ดโดนหลวงพ่อขกศัพท์ทุกวันคือรู้เร็วกับรู้ช้าเหรอาคนรู้เร็วกับคนรู้ช้าหนระือไง ว่ า, าไม่คิดมากนะคิดมากยากนานสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีคนเคยฟังธรรมะพ อ, อฟังแล้วปิ๊งเลยพวกเราเหมือนเชื่อโลกดื้อยานะฟังเยอะไปฟังแล้วแปะแปะไม่ปิ๊งอะ่ะฟังแล้วคิดมากอย่างท่านบอกง่ายๆนะที่สูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้น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 รู้อยังที่จริงสิ่งที่ทำให้ปฏิบัติช้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะมีสามอันนะเรียกว่าปปัญจะทำจนะทำให้เนิ่นช้านะอันที่หนึ่งก็คือตัณหาอยากมากอยากยิ่งอยากยิ่งทำไม่ได้ยิ่งอยากปฏิบัติยิ่งทำผิดนะอันที่สองมานะ โอครูเก่งแล้วครูแน่แล้วครูหนึ่งแล้วนะมาฟังธรรมะเนี่ยโอ้พระองค์นี้พูดอะไรไม่อไหนเลยเราพูดได้ดีกว่านี้นะหรื อ, อฟังแล้วก็เหมือนเหมือนกันพอๆกับเราแหละหรือโอ้ดีฉันโง่ถาว่าดีฉันฟังอะไรก็ไม่รู้อ่ะดีฉันเนี่ยโง่อนะ่ะไหคิดแต่ว่าตัวเองดีตัวเองปานกลางตัวเองแย่เรียกว่ามานะโมแต่คิดอยู่างเงี้ยไม่รู้สักทีนะอีกงานหนึ่งคือคิดผิเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นเหลือเกิน โดยเฉพาะพวกที่เข้าหลายวัดนะฝังวัดนี้เปรียบเทียบกับวัดโน้นเอาแต่คิดเน่ะไม่ดูเอาสักวัดเล่อยอาจารย์สำนักนี้สอนให้ขยับพออาจารย์สอนให้ขยับก็คิดเอ๊ะหลวงพ่อวัดโน้นสอนให้ดูลมหายใจอันไหนมันจะดีกว่ากันนะเห็นไหมอพอมาอยู่อีกวัดหนึ่งหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตเอ๊ะวัดโน้นท่านให้ขยับกาย้กายกับจิตอันไหนมันจะดีกว่ากันนะรวมกว่าแล้วมันคิดถาวรนี่ะเข้าใจไหมไม่ดูสักทีก็เลยช้า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 มาก็ฟังเหมือนเดิมทุกวันเลยเนาะ <c oughs> ไปฟังซีดีจะรู้เลยว่าหลวงพ่อก็พูดคล้ายๆกันทุกวันเนี่ยประมาณจะต้องทำเหมือนเดิมทุกวันทนใช่เพราะเราจะต้องทําแบบผู้หญิงทอผ้าหลวงปู่มั่นสอนเนี่ยบอกเขาทํานานะเขาก็ต้องทําในที่นาไม่ได้ไปทําบนอากาศทํากรรมฐานเนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจทำํำซ้ำๆอยู่างเนี้ย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 กินไม่ได้นอนไม่หลับนะต่อมามาฟังธรร ม, มะบอกว่ากลุ้มใจรู้ว่าคลุ้มใจให้มาดูกลุ้มใจรู้ว่าคลุ้มใจใจไม่กลุ่มแล้วใจไม่ทุกข์เรากินอิม่มนอนหลับตอนนี้สมองปลอดโปร่งไปคิดแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นใจเราให้มันดีก่อนปลอดโปร่งนะแล้วไปแก้ปัญหาเวลาจะแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์ก่อนนะสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนไปแก้ที่สาเหตุของ